ตอนนี้ไปพึงพากันทั้งใจสำรวมใจของตนให้นแน่วแน่เวลานี้เป็นเวลาที่อากาศอุตุทัตน์ไม่ร้อนไม่หนาวตอนเวลาเป็นหัวรุ่งที่พระบรมศาสด า, า, า, าทรง ในตััสรู้ในปิมยานราตรีนี้เองเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทจึงต้องถือเอาเวลาหัวรุ่งนี่เป็นเวลาอันสำคัญเวลาหนึ่งซึ่งพระพุาคเจ้าได้ทรงเอาชนะมาน คือกิเลสให้พ่ายแพ้ไปได้ตัดสุรุพระสมมาสัมโพธิญาณนี่ให้พากันเข้าใจดังนั้นผู้เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าจะมามัวจนอนหลับนอนไหลในหัวรุ่งอย่างนี้ได้ชื่อว่าไม่ได้ทำตาม ระเบียบที่พระพุทธองค์ได้ทรงกระทำ ม, มาจนได้ตัดสู้สมมาสมโพธิญาณเมื่อผู้เป็นพุทธบริษัทหากเกียดคร้านนอนตื่นสายเช่นนี้ไม่ไม่คือว่าผู้ทำตามพระพุทธเจ้าเราทำอะไรนะมันต้องนึกถึง พระพุทธเจ้านั่นเป็นหลักเลยเพราะองค์ดำเนินมาอย่างไรตลอดถึงธรรมะคำสั่งสอนเมื่อเราไม่เอื้อเพื่อไม่นึกถึงเช่นนี้มันก็ไม่มีอยู่ในจิตใจคนไม่มีคุณธรรมอยู่ในจิตใจน้วนะใจจึงวอกแวกใจไม่สงบระงับ มันจะมีอะไรจิตใจคนเราเนี่ถ้าเมื่อใจนี่ห่างจากธรรมะแล้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาแทนนี่มันเป็นอยู่เนี่ยถ้าคราวใดจิตใจมั่นอยู่ในธรรมะแล้วกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างงั้นดังนั้น่ะเราทุกคนก็จะชื่อว่าเห็นโทษของกิเลส กิเลสที่มันให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรทุกคนนั้นที่เกิดมาในโลกนี่ถ้าเป็นผู้ช่างสังเกตแล้วก็จะรู้ได้เห็นได้ว่ากิเลสนี้มันให้โทษหนังหนาจะมีอะไรแล้วก็ให้เกิดทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะหมายเอาทุกข์ใจนะก็ได้แก่กิเลสนั่นเองเนี่ย ทิ้งอื่นไม่ไม่ไปทําใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรแม้ว่าร่างกายนี่มันจะไม่เที่ยงมันจะวิบัติแ ป, ปรปูนไปแต่ว่าใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมของกิงเข้าไปได้อย่างนี้มันก็ไม่วั่นไหวร่างกายวั่นไหวไปแต่จิตใจไม่วั่นไหว พอมารู้แจ้งการเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเรานี่พอที่จะมองเห็นได้ว่าทางค้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ฝากฟ้าแดนดินที่ไหนคำว่าทางไหนทางคำในหมายเอาข้อปฏิบัตินั่นเอง เช่นเราน้อมศีลเข้ามาสู่กายวาจาใจนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขั้นหนึ่งน้อมสมาธิเข้าสู่ใจสามารถทำใจสงบได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในขั้นที่สองสามารถอบรมปัญญาให้เกิดจากสมาธินั่นได้ ชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมในขั้นที่สามมีการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นขั้นๆไปอย่างนี้แต่และมันก็มีจิตตรงนี้เป็นผู้รองรับเอาศีลสมาธิปัญญาถ้าถ้าจิตตรงนี้ไม่รองรับเแล้วก็ไม่มีศีล ส, สมาธิปัญญาก็มีไม่ได้ ดางนั้นรวมแล้วจึงชื่อว่าจิตนี่เป็นสิ่งสำคัญในตัวเราคนหนึ่งหนึ่งอย่าไปเพ่งเลงอย่างอื่นเลยให้สำคัญที่จิตตดวงเดียวนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเมื่อผู้ใดมา ใส่ใจเรื่องจิตเรื่องใจนี่ผู้นั้นก็จะไม่ลืมจิตตัวเองจะมีสตสิสัมปชัญญะระลึกถึงอยู่เสมอเมื่อระลึกถึงก็เท่ากับควบคุมจิตนั่นแหละแม้มันออกนอกรูนอกทางให้มันดำเนินตามทางด้วยไปเช่อนอย่างว่าศีล ก็เป็นทางสายหนึ่งสำหรับจิตจะพึ่งเดินจะพึ่งกำหนดรู้ว่าตอนนี้ตนมีศีลหรื อ, อยังตนได้สำรวมในสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งหลายมาหรือไม่แล้วก็กำหนดรู้นั่นเเมื่อรู้ว่าตนได้สำรวมมาอยู่ไม่ล่วงเกินอย่างนี้ นั่นก็ชื่อว่าเดินทางถูกนั่นเนี่ยทางนะเป็นอย่างเงี้ยทางในในพระพุทธศาสะนาะเราดำเนินตั้งสติสำรวมจิตเพ่งเข้าไปกับลมหายใจเข้าออกเข้าไปไปควบคุมจิตอยู่ภายในอย่าให้จิตมันคิดทรงสายไป เพ่งจิตนี้จนว่าจิตมันสงบระงับลงเป็นหนึ่งนี่แหละจึงชื่อว่าเป็นผูดเดินทางสายที่สองเป็นทางที่ถูกต้องการที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ยอมองเห็น ถาสี่ขันธ์ห้าอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรามองเห็นกันอย่างนี้แล้วมันก็จะไปถือมั่นไว้ทำไมบ้านี้ก็ปล่อยวางเลยปล่อยวางตามสภาพไม่ยึดมั่นถือมั่นในสัญญาอารมณ์ต่างๆ ในสังขารคือสภาพปรุงแต่ง จ, จิตใจให้ดีบ้างให้โชว์บ้างวันนี้ละไปหมดเมื่อละความยึดความถือเหล่านี้ได้จิตใจมันก็หลุดออกจากวงโครจรของโลกนั่นเอก็อยู่เหนือโลกท่านว่านั่นแหละที่ท่านเรียกว่าโล ก, กุตตรธรรมนะ แปลว่าทำอยู่เหนือโลกมหมายเอาดวงจิตดวงนี้เนะี่ยมันอยู่เหนือโลกสงสารอันนี้มันไม่น้อมไปในโลกในสงสารเพื่อความเกิดอีกอ ม, มันน้อมไปเพื่อความไม่ต้องเกิดอีกทุกข้าชาติปุณั์ปุนันง การเกิดบ่อยๆมันเป็นทุกข์หลายพระผู้ที่เจ้าตรัสไว้มันเป็นความจริงเกิดเท่าไรก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละกูง่ายๆเพราเกิดมาแล้วก็เป็นภาระอันนักอย่างชิดชาติปัจจุบันนี่แหละที่เราเป็นอยู่กันเนี่ยแสนยากแสนลาบากจริงๆแต่ถ้าผู้ใดพิดผู้ใดที่จะไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน มันนักไม่ค่อยเห็นทุกข์เท่านั้นแหละอาจจะทุกข์อะไรนั่งหนาบ้านก็มีอยู่ข้าวก็มีกินเงินก็ได้อยู่ทุกวันทุกวันเช่นนี้มันจะไปทุกข์ร้อนอะไรแล้วนั่นแหละเรียว่าคนไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารไปมองเห็นตั้งแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้น ถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่มีกินจะมีใช้ร่างกายอันนี้จะไม่สุดโทมยังไงก็ตามไม่ใช่มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปร่างกายอันนี้ถึงคราวมันสุดโท ม, มก็สุดโทมไปถึงคราวมันแตกลับมันก็แตกลับไปอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นบุคคลจะมาดัดแปลงให้มันเป็นไปตามความประสงค์มันไม่ได้ใครๆก็ย่อมสู้กดแทงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไม่ได้ดังนั้นควรพากันใส่ใจในธรรมในวินัยให้มากเราจะได้พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารไป ถ้าผู้ใดยังไม่ดำลือว่าจะฝึ ก, กจิตของตนเช่นนี้นั้นผู้นั้นนานพ้นทุกเลยเมื่อไม่ฝึ ก, กจิตตรงนี้มันก็ไม่อยู่ในทางออกนอกรูนอกทางไปเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนา น, นาเห็นว่าโลกหน้าไม่มีอย่างนี้นะ ทำบุญไม่ดบุญทำบาปไม่ด้บาปอะไรหมนี้ผู้ดใดเห็นอย่างนั้นแล้วมันจึงชอบทำบาปนนีรชอบเบียเดเบียบนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนดังนั้นน่ะให้พากันพิจารณาให้มันเห็นว่าการฝึกฝนตนนีนะ่มันดียังไงให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเอง ตนเองมีความภาคเพี้ยนมาโดยลำดับเนี่ยทำให้จิตใจเป็นอย่างไรก็รู้ได้ก็รู้ได้ด้วยภาวนาสมาธิ น, นั่นแหละดังนั้นให้พิจารณาเมื่อทําใจสงบลงแล้วอยนิ่งนอนใจแล้วปัญญามันจะเกิดกับเพราะความคิดนี่แหละ เมื่อทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ฝึกพูดฝึกฝึกฝึกคิดอ่านพิจารณาด้วยน้ำใจอันตั้งมั่นนั่นแหละเมื่อใจตั้งมัน่นมันก็พิจารณาได้มันจะคิดออกอนุภาพแห่งสมาธินะเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> สิ่งที่ไม่เคยไม่เคยรู้มาแต่ก่อนก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนก็เห็นนี่เพราะว่าอนุภาพแห่งสมาธิมันก็เป็นเครื่องกรรมจัดที่วรณะธรรมทั้ง5้าให้ขาวสะอาดให้จิตใจมันขาวสะอาด แม้มันมัวมัวหมองอยู่ด้วยนิวรณธรรมท้งห้าประการดังนั้นเนี่ยให้พากันเห็นวยพิจารณาเห็นกิเลสว่าเป็นศัตรูต่อชีวิตของตนอย่าไปเลี้ยงมันไว้เพียนพยายามละมันด้วยศีลสมาธิปัญญานี่นะเอาศีลสมาธิปัญญานี่ เป็นกําลังใจเพื <c oughs> ่อละกิเลสถ้าเราไม่ได้ศีลสมาธิปัญญานี่เป็นกําลังใจเรามันละไม่ได้กิเลสนะละไม่ได้จริงๆริเพราะฉะนั้นนะขอให้พ า, ากันตั้งอกตั้งใจเพ่งพิจารณาให้ ต่อเนื่องกันไปอย่าให้มันขาดสายพิจารณาให้มันเห็นความจริงของชีวิตนี้ความจริงของชีวิตนี้ไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืน ไม่มีอะไรเป็นสุขสบายอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะบังคับได้ให้เป็นไปตามใจหวังไม่มีเลยการที่เราเพ่งดูความจริงของชีวิตอย่างนี้นะเมื่อมันเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วเมื่อก็โปร่งก็วางลงได้ เพราะมันเห็นตามเป็นจริงเห็นว่าไม่ควรถือมัน่นของไม่เที่ยงนี่ไว้ถ้าขืนถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆ เ, เพราะไม่มีรูปร่างอะไรชิ้นไหนที่ว่ามันจะเที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยพระองคพิจารณาให้มันเห็น ตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อมันเห็นอย่างนี้ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไปเรื่อยนะเรายืนเดินนัง่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรแต่ก็พยายามกำหนดดูบ่อยๆดูความคิดความเห็นภายในจิตใจนะ่ะยังคงที่อยู่หรือว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปยังไงอะ่ะ นี่เป็นหน้าที่ของปัญญาจะพึงน้อมลงไปสำรวจกรวดการดูให้มันเห็นตามความเป็นจริงอันนี้เป็นจุดประสงค์แห่งการเจริญธรรมถาอิปัสนาในพระพุทธศาสนาการเจริญธรรมถาอิปัสนานี้เป็นบุญเป็นกุศลใหญ่หลวง ตนเองก็พลอยได้พ้นทุกข์ไปด้วยผู้อื่นก็พลอยเดินตามไปตนพ้นทุกข์ได้ยังไงอ่ะพ้นทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิและปัญญาเมื่อทำใจให้เน่วแน่ลงไปใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปลงให้วางหันห้านี้ไปเรื่อยๆ ถอนอยู่งั้นแหละจนกว่วมันจะวางเราไม่ถอยความเพียรเพราะว่าทางอื่นมันไม่มีแล้วมีทางเดียวเท่านี้พืมารู้แจ้งในขันห้าตาเป็นจริงแล้วก็บรรลุโลกุตตรธรรมได้เท่านั้นเองแต่ปัจจุบันนี่มันไม่รู้กันสิ มันไม่รู้กันมันจึงปงยึงวางไม่ลงเพราะฉะนั้นนะให้พึงพากันตั้งอกตั้งใจอย่าประมาทเพราะว่าความตายนะ่มันขวางหน้าอยู่โนะ้นหนีไม่พ้นจริงๆแมใ้ใครจะบรรลุเมื่อผลนิพพานยังไงก็ตามเมื่อผลนิพพานอนั้นก็ปโองกันความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เลย เมื่อมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากตายแล้วก็อยากเกิดขอสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะเอา้าไม่ให้เกิดจะทำยังไงก็ทำยังไงเขออาจะไปยึดถือสิ่งใดสิเริ่มตั้งแต่ธาตุสี่ขนาน่านี้ออกไปถึงสิ่งภายนอกก็ไปอย่าไปสำคัญเป็นของเรา ให้ปรงให้วางเสมอเสมอไปเมื่อตาได้เห็นรูปอะไรอย่างนี้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางหูได้ยินเสียงดีเสียงชั่วอะไรเมื่อได้รู้แล้วก็ปล่อยวางจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ พิจารณาให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีเวลาร่างกายนี่มันปกติไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแต่มันก็รู้แจ้งว่าต่อไปมันก็มีโรคภัยเบียดเบียนถึงในปัจจุบันนี่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเมื่อเฒ่าแก่ชรามามันก็มีอ่ะนั่นเอง เมื่อมีความสํารุดสุดโทรมความแตกดับก็ต้องมีเป็นธรรมดาเหมือนอย่างบ้านเรือนที่บุคคลสร้างขึ้นไว้นะอยู่ไปอยู่มาอันนั้นก็ชารุดอันนี้ก็เสียหายเมื่อเจ้าบ้านไม่คิดซ่อมแซมนานปีนานเดือนก็ไปมันก็สํารุดไปโดยลาดับไปหลังคาก็รั่วฝนตกมาก็เปียกหมด ที่นอนหมอนมุงอย่างนี้นะเมื่อบุเตียบใจกับบุคคลที่ยไม่รู้เท่าขันห้าปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตได้มันถึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนมากนั่นแหละผู้รู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงปล่อยวางไว้ตามสภาพอันนี้ จะไม่เป็นทุกข์ไปคือหมายเอาทุกข์ใจเพราะว่าใจมันปรุงมันวางขันห้าลงจริงๆแล้วก็สอนตนเสมออย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นแจ้งชัดลงไปว่าไม่ใช่ของ ไม่อยากฟังหมุนไปหาคลื่นอื่นนูไปหาเพลงลนู้นันอจงว่ามันความยินดีในธรรมเนี่ยมันจึงหาได้ยากทั้งนี้เพราะอะไรนะเพราะกิเลส น, นั่นแหละมันง่วงเหนียวไว้มันสกัดไวไม่ให้ยินดีในธรรม บุคคลผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวของกิเลสว่ามันทำผิดทำสงให้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนมาในสงสารนี่เท่าไรไม่คิดไม่คำนึงยอมตนเป็นทาสของกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวคนเราทั้งคนนะมันก็มีจิตดวงเดียวเทเนี่ยสำคัญ แต่คนผู้ไม่รู้ธรรมไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันไม่ไม่เห็นความสำคัญของจิตใจไปเห็นความสำคัญของเงินทองแก้วแหวนผ้าหนุ่งผ้าห่มรถราเครื่องใช้ไม่ถ้อยต่างๆนุ่นไปเห็นของเหล่านั้นเป็นของดีวิเศษ เร่ยกว่าจิตใจมันไม่ไม่รู้ตัวใจมันไปรู้แต่สิ่งอื่นไปผูกพันอยู่กับแต่สิ่งอื่นทั้งนี้ก็เพราะมันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาคำว่าทวนกระแสจิตนั่นเราขอมาร ล, ลึกเข้ามาหากายหาใจนี้เรียกว่าทวนกระแสจิต รือว่าไม่ให้มันคิดส่งไปทวนกลับขึ้นมาให้มันมารู้สึกอยู่ในกายในจิตนี้โดยตรงเลยนี่แหละท่านยึงเรียวทวนกระแสจิตให้เข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ต้องมันทวนกระแสจิตอยู่บ่อย แม้เช่นนั้นก็ลืมตัวตนเองทําอะไรพูดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตัวดีหรือชั่วไม่คํานึงไม่รู้เพราะเหตุว่ามันเอาสติระลึกไปทางอื่นนูน่นมันถึงไม่รู้ผิดรู้ถูกผู้จะรู้ผิดรู้ถูกได้สติมันต้องระลึกเข้ามาหาจิตมากําหนดจิตนี้ให้ตั้งมั่นลงไป ได้แล้วอย่างนี้นะมันยังรู้ผิดรู้ถูกได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พึงพากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถ้าพูดให้มันระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่อยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ลืมตัวก็รู้ตัวอยู่ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นะ แล้วตนมีความสุขหรือมีความทุกข์แต่ถ้าผู้ไม่ใช่ปัญญาก็จะเห็นว่าตนมีความสุขนั่นแหละเพราะว่าในขณะนี้ตกใยก็ไม่เบียดเบียนกินก็ได้นอนก็รับไปไหนมาไหนฟ้อนรำขับร้องดิสีตีปะอะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้น มันจึงไม่เห็นทุกข์嘛นี่เขาถือว่าตนนั้นมีความสุขอยู่แล้วมันจะเป็นต้องไปผลขวายหาความสุขอย่างอื่นคนดังกล่าวมานี่แะได้ชื่อว่าเป็นผู้หลงติดอยู่ในความสุขชั่วคราวสุขไม่ยั่งยืนวันนี้ในพระพุทธศาสนานี่ ก็คุเทเจ้าสอนให้คนเราแสวงหาความสุขอันยั่งยืนมันจึงไม่แปรผันชีวิตนี้น่ะอันชีวิตที่มันแปรผันอยู่นี่ก็เพราะมันไปติดแต่ความสุขอันชั่วคราวนั้นแล้วเมื่อมันหมดอายุแห่งความสุขชั่วคราวมันก็ดับไปมันใีความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทน ก็ได้สวยทุกทนทรมานไปก็เป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของคนเราแต่มันลืมตัวมันนึกถึงตัวเองไม่ได้เหตุนั้นจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ไม่รู้หายจึงเป็นทาสแห่งจัญหามีความหิวอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่รู้จักอิ่มในโลกธรณิวัฏอันนี้มันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นนะ่ะผู้เริ่มใสในพุทธศาสนาผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเพื่อทำประสมมงค์ถ้าได้ปร ะ, ประกาศปฏิ ญ, ญาณตนอย่างนี้แล้วอย่าไปถือว่ามันพอแล้วได้ที่พึ่งพอแล้วเพราะน้นก็เฉยเมยเสียปล่อยจิตให้ พุ่งซ้านเลื่อนลอยไปเสียอย่างนี้ไม่สมควรเพียงแค่คำกล่าวปฏิ ญ, ญาณตนถึงเท่านั้นน่ะมันไม่เป็นที่พึ่งอันมั่นคงได้อันนั้นเป็นแต่เพียงบทบาทเบื้องต้นเฉยๆมันเป็นปากทางเข้าถึงคุณพ ร, ระรัตนกรเท่านั้นยังไม่ถึงตัวคุณพ ร, ระรัตนกรแท้ ต้องเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราได้ความเขารักทับถือความเชื่อความเร่วมสอย่างว่านี่นะเมันก็เป็นเหตุให้เราลงมือปฏิบัติอืมการลงมือปฏิบัตินี่แหละถ้าปฏิบัติถูกทางเมื่ก็จะเข้าเข้าถึงคุณแก้วสามประการนี้ได้อย่างสนิทใจ ถ้าปฏิบัติผิดทางมันก็เข้าถึงให้อย่างสนิทสนมไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนอย่างคนบางพวกบางเหล่านั้นเนี่ยไอ้พุทธศาสนาก็นับถือพระพุทธธรรมปรสงค์ก็กราบก็ไหว้วันนี้เมื่อมีผู้ชวนไปไหว้พระมหาพรหมบ่ไปไหว้พระอิศวน เจ้าแม่คนอิ่มอะไรที่เขาเรียกกันว่าวิเศษวิโสอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ผู้กราบผู้ไหว้ผู้วงทวงได้มีลาบมียศมีสรรเสริญมีความร่ำรวยกดอยากร่ำรวยก็เอาแล้วเสนป้์ไปไปไหว้เข า, เขากราบเขายันนี้ท่านเดียวกว่า ผู้มีจิตใจยังงอนแงนคนแขน ต, ต่อที่พึ่งอันประเสริฐของตนอยู่ที่พึ่งอันใดที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนไกรายนี้ไม่มีนีแต่คุณพระรัตนกรายเท่านีน้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดในโลกนี้ทีนี้ถ้าผู้ใดนับถือคุณพระรัตนกรแล้ว ก็ยังไปนับถือสิ่งอื่นอีกยังไปกลับไปไหว้สิ่งอื่นไปบวงสรวงบูชาสิ่งอื่นโยอย่างนี้การนับถือพระตะนาไก ข, ของผู้นั้นก็เศร้าหมองขุนมัวไม่บริสุทธิ์พุทพ้องไม่สามารถที่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์ภัยได้เพราะว่าคนผู้นั้นเป็นคนสองจิตสามใจไม่ยืนตัวอยู่ได้ ยังมองไม่เห็นคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมองไม่เห็นเห็นก็เห็นพอลางๆนี่แหละขันพเจ้าว่าผู้ใดมองเห็นคุณทั้งสามประการนี้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ด, ด้วยปัญญาของตนจริงๆผู้นั้นมันก็ไม่ต้องไปนับถือสิ่งอื่นเลยไม่ไปไหว้ไปอ้อนวอนบวงสวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่า ง, งที่ชาวโลกเขาสมมติกันขึ้นนี่นะ <c oughs> ไม่ไปเลยครับผู้นั้นมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดเว้นจากการกราบไหว้สิ่งอื่นอย่างว่านี่นะแสดงว่ามีใจมั่นอยู่ในคุณพระตรักรยและรู้สึกว่าคุณพระตรักัยนี่เป็นที่พึ่งกำจัดกาจัดทุกข์ยได้จริง ก็มันมันเห็นอย่างนี้เรามันถึงไม่ไปไหว้ไปน้อมน้อมต่อสิ่งอื่นใดชาวพุทธเราต้องพยายามภาวนาพิจารณาให้เห็นคุณแกวสามประการนี่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐกลัวสิ่งอื่นใดทั้งหมดในโลกนี่ต้องใจให้ต้องเป็นหนึ่งอย่าให้เป็นสอง เราเห็นแจ้งว่าเป็นคุณอันประเสริฐอย่างนี้แล้วเราก็สามารถสละชีวิตบูชาลงได้อืนั่นจึงเรียกว่าเป็นผู้เชื่ออย่างงั่นคงจริงๆแต่เรายอมสละชีวิตเพื่อบูชาคุณพระรัตนกายนี่ก็เพราะเรามีปัญญาได้มองเห็นว่าคุณอันนี้เป็นของประเสริฐจริงมีเหตุมีผลปรากฏอยู่ในใจิตใจของเราแล้วอย่างดียิ่ง เราจึงกล้ายอมสละชีวิตบูชาคุณพระตนั่งไกรได้ไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นด้วยปัญญาแล้วจะเชื่อทำตามกันไปเฉยแล้วก็ไปสละชีวิตบูชาได้อย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่อัศจรรย์แบบนั้นนะที่นะ่าอัศจรรย์อันต้องเห็นคุณแก้วสามประการนี่แจ่มแจ้งด้วยปัญญาตาใจของตนจริงๆก่อน ข้อนี้นั่นไม่มีใครที่จะยืนยันให้ใครได้ต่างคนต่างต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองให้รู้ด้วยตนเองให้รู้แจ้งด้วยตนเองจริงๆดังนั้นเมื่อตนเองเห็นด้วยตนเองจริงๆแล้วมันก็เคารพกราบไหว้สักการ บ, บูชาอย่าง ไม่มีจืดจางไม่มีเบื่อได้นนบางคนก็อาจจะนึกว่ากราบไปกราบมา ก, ก็ไม่เห็นว่ามั น, มนได้อะไรอ่ะก็เหลือแต่กราบอยู่เฉยๆอย่างนี้ผู้อาจจะคิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะนั่นเนอนถ้าเราดูผิวเผินแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ย แล้วจะกราบว่าอยู่ น, นี้นะไม่เห็นมันได้อะไรมาเป็นชิ้นเป็นอันแต่อย่างนี้มันน่าคิดสําหรับผู้ที่คิดอย่างผิวเผินมันก็เห็นไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าผู้คิดให้ลึกซึ้งลงไปแล้วมันจะไม่เห็นเพียงแค่นั้นมา เ, เนี่ยการแสดงความเคารพน้อมน้อมการกราบการไหว้ คุณพระรัตนกรายอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการทําลายพิธีมานะอันมันถือมันมาอยู่แต่ในใจนมานมนานหลายชาติหลายภบแล้วถือว่าเราเลยคนนึ่งอะเราไม่กลัวใครอืมใครด่ามาเราก็ต้องด่าตอบใครตีมาเราก็ตีตอบเราไม่กลัวใคร ไอ้ความนึกคิดอย่างนี้แหะท่านเรียกว่าคิดถิมานะความเห็นว่ามีตัวมีตมนมีเรามีเขามันทำให้จิตกระลั่งกระเดืองไม่ยอมสละสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากจิตใจผู้กระดัางกระเดืองแบบนั้นเนี่ยถ้ามีใครทะเลาะวิวาทมาดุดาวา่าก่าเข้าไปทนไม่ไหว ก็หาว่าเขาดูถูกดูหมิน่นตนก็โกรธเมื่อโกรธแล้วก็ต้องอาด่าตอบต้องว่าอตอบไปในทางไม่ดีก็เลยเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ใช้อาวุธคือปากทิมแทงหัวใจของกันเลยกันนี่โทษของการยึดถือมาณนะทิฐินะ มันเป็นเหตุให้คนเราแข็งกระด้างกระเดืองไม่วางตนให้เป็นไปตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เราพึ่งไปตามอำนาจของมานาจที่ิมันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันอยู่วันยังค่ำอย่างนั้นเลยนี่ลหละเราจะรู้ได้ว่าคุณพระรัตนกรายนี่นะเป็นของประเสริฐอย่างไร พระพุทธเจ้านะน้องทั้งน้องนึกดูอ่ะทุกคนก็คงเชื่อมั่นในใจาพระองค์น่ะละราคะโทสะโมหะมานะทิตติต่างๆได้หมดแล้วใครจะมาด่าว่าทะเลาะพระองค์พระองค์ก็ไม่ด่าตอบไม่ทะเลาะตอบพระองค์ก็พูดเหตุผลสู่ฟังเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วไป อย่างนี้แหละอย่างเช่นนางกินจิมานวิกาได้รับจ้างจากผวกเยรตถีให้ทาอุบายว่าเพราะผู้ชายเจ้านั้นได้มาสมสู่อยู่กับตนประมาณสักเดือนสองเดือนมานิเกก็เอา ไม้ทาเป็นท่อนกลมๆล้วก็เอาผ้าห่อโหกใส่บั้นเอวนี่ล้วก็นุ่งผ้านุ่งสิ้นรวมเข้าไปกับทองก็นูนๆเออาถือว่าตนมีคันวันหนึ่งพระศาสดาทับอยู่บนธรรมิกำลังจะแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังนางกินจีมานนามิ ก, การี่ก็ ไปยืนต่อหน้าพระพักของพระ อ, องค์แล้วก็ไปกล่าวโทษพระ อ, องค์ว่าพระองค์เนี่ยเป็นแต่อภิรมชมชื่นเท่านั้นเมื่อดิฉันตั้งท้องขึ้นแล้วก็ไม่รักษาคันถ้าถ้าไม่รักษาเองก็ควรจะใช้ให้น้องวิสาขาหรือว่าอนาถาบินดีผู้เป็นอุปถังนั่นมาช่วยเหลือดิฉันก็ยังดี อันนี้ไม่เหลีวแลเลย อ, อ, อย่างนี้พระองค์ก็ตอบว่าดูก่อนน้องหญิงไอ้เรื่องเหล่านี้เน่ะไม่มีใครรู้น อ, นอกจากเราจะถาคดกับเธอเท่านั้นแหละจะรู้ได้อืมพระองค์ก็ตอบเพียงเท่านี้เลยแบบัดนี้นก็พยายาอินทสิบวันนี้ร่วงรู้แล้ว ปัีญาอินก็นิตรภัยตัวเป็นหนูวิ่งขึ้นไปกัดเชือกที่ผูกอยู่ที่ท้องนั้นให้ขาดไม้กลงๆนั้นก็ตกลงมาถูกหลังเท้านบิบวมไปอย่าโยมเห็นเหตุนั่นเข้าไปก็พากันฉุดคล้าออกไปจากศาลาทุบไตะเอาบั่งด่าเอาบั่ง เพราะเช่นั้นแหละมันทำไม่ดีมันโกหกพระศาสดารับจ้างจากควกเวรถนนีเห็นแก่สินจ้างรางวัลพอเดินหนีออกไปรับพระเนตรของพระศาสดาเท่านั้นเนี่ยแผ่นดินก็แยกถูกเอาไปลงเป็นไม้อยู่ในเอเวจีมหานรกอันนี้แหละเรียกว่า คนใจบาปหนาตาโหดขาดปัญญาความใคร่ครวญว่าเหตุนี้เป็นยังไงหนเหตนุนี้เป็นทางความเสื่อมหรือเป็นทางความเจริญอย่างนี้ไม่ได้คิดเลยคิดแต่ว่าจะได้เงินได้ทองมาใช้เท่านั้นพอแล้วเรื่องความเรื่องกรรมนั้นไม่คำนึง เมื่อคำนึงก็ได้รับผลปัจจุบันทันร่วจเลยนะไปทํากับพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกไปฟ้องไปโจทย์พระองค์โดย ม, มีมูลความจริงถ้ามีมูลความจริงนั้นนางกินจนีนก็คงไม่ไปตกอเบจีแล้วแต่นี้มันไม่มีมูลความจริงนะเรื่องมันนะอย่างนี้หนละกิเลสของคนเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให กำหนดจดจำเอาไว้ในใจในความอิจฉาเลี้ยาผู้อื่นนี่นะมันไม่ดีจริงๆนะโดยเฉพาะไปอิจฉาเลี้ยาดูถูกดูหมิ่นท่านผู้มีศีลมีธรรมอย่างนี้นี่ยิ่งมี บ, บาปหลายมีโทษมากเหมือนอย่างนางกินจมานาวิกาไปยกโทษพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเนะี่ มีโทษหนักจนว่าแผ่นดินหนาสองแสนสี่หมืนนยดรับเอาไว้ไม่ได้เลยก็ต้องแยกสูบเอาลงไปไหมในเอเวจีมหานรกเช่นเดียวกับพระเทวทัต อ, อันหมู่นี้นะเป็นธรรมทั้งนั้นแหละเป็นธรรมเครื่องเตือนใจไม่ให้คนเรานั้นทำบาปการทำบาปมันเป็นอย่างนั้นแหละ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเราเอาเป็นคติเครื่องเตือนใจอยู่บ่อยๆเข้าไปนั่นก็ทำให้เราละโคมชั่วไปได้สำหรับผู้มีปัญญานะผู้ไม่มีปัญญาก็ฟังแล้วก็แล้วไปเท่านั้นเนี่ยหาได้จำเอาบทสำคัญําคัญไปตึกสอนใจตัวเองไหมฟังแล้วก็แล้วไปลืมไปหมดไม่ทราบว่าทันเทศอะไรให้ฟังเรื่องอะไร นึกไม่เห็นเลยคนส่วนมากมันเก็เป็นอย่างนี้เมื่อเทศได้ฟังจบแล้วถามว่าจำได้ไหมเรื่องอะไรบ้างที่เทศได้ฟังนี่ม้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจำไม่ได้พร่ามีอย่างนี้เป็นส่วนมากแต่ผู้ที่จำได้ก็มีอยู่หรอกแต่มีส่วนน้อยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ใดฟังทำ แล้วจำบทธรรมคำสอนที่ท่านนำมาแสดงให้ฟังนั่พิจารณาเห็นแจ้งในใจของตนเกิดปีติปาโมทขึ้นในใจอันนั้นเป็นกุศลอย่างแรงได้ชื่อว่าเป็นผู้บมเพ็ญกุศลทาง จ, จิตใจ